จบแล้วก็ฟังทำต่อในเรื่องที่จะพูดมากมายเพื่อเป็นการเสริมสร้างตกแต่งชีวิตของพวกเราอาศัยพระธรรมคําสอนของ พ, พระพุทธเจ้าให้เป็นเรื่องของพวกเราคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของพวกเรา เรื่องของคนเราก็คือกายกับใจทุกคนก็มีตายกับใจแาต่กายกับใจไม่ประดับด้วยพระธรรมคาำำสอนไม่นมาํามาก็กอบมาติด่าต่อม้วก็เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษทำให้เราหลงได้ความหลงเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยไม่ใช่เล็กน้อยนะ พอไปถึง น, น, กนรกเปรตชุ่วรายในลัะชานเป็นภูมิที่ตับเราจะปล่อยปละละเลยไม่ได้จึงจำเป็นมากๆและเป็นเรื่องที่รีบตรวจชีวิตของเราก็มาถึงปุ้นนี่แล้วเราอยู่ในสภาพใดควรจะเป็นอย่างไรและไม่ควรจะเป็นอย่างไร ก็ดูแลตัว่างให้ดีๆจะต้อ ง, องหลงอยู่ดัางเหลือจะต้องทุกข์อยู่จะต้องกรงกรงแต่งแต่บางทีมันก็ใช้ไม่ได้บางท่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอบโกคตืน่นวัตถุอื่นสิ่งอื่นด้วยปีนี้พัรษาปีนี้สองพันห้ารอยสี่สิบหกวันนี้แหละ เป็นวันครบรอบโอกาสดีนาทีทองมอถึงพวกเราอีกเราก็มีชีวิตทำดีได้เราคุชั่วได <c oughs> ้จะเปรียบก้บมน้ําหัวเผือกหัวมันที่ฝังอยู่ในดติดวันเดือนปีผ่านไปเท่าไหร่หัวเผือกหัวมันก็จเจริญเติบโตสร้างตัวเอง าชาวบ้านปลูกต้นอ้อยต้นอ้อยก็งามขึ้นจากศอกเป็น 2, สองสอกสามสอกสี่สอกห้าสอกงามที่สุดก็เป็นประโยชน์แก่ชาวไร่ชาวสวนชีวิตเราอะไรเล่าที่มันเป็นประโยชน์ต่อเราหนะแือ ว, ว่ามันไม่แต่โทษจต่ภัย่จ้าห น, นี้ไม่ควรปล่อยปละละเลยตอนนี้ในในการศึกษาในการปฏิบัติ เราก็ไม่ใช่ตัวเราคนเดียวี่ียวได้เราก็มีเปื่อนมีมิตร ม, ม, มีวัดวาย า, ามีพระสงฆ์องค์เจ้ามีวิธีที่เป็นรูปแบบในการปฏิบัติเป็นตัวเป็นตนตโดยเพราะประธรรมเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยสัมผัสได้ไม่ไกลตัวเราเอามาว้วที่กายเรามาว้ายที่จิตใจเราเป็นสิ่งที่สัมผัสได้แล้วเราไปสัมผัสกับอะไร ใจเราไปต่อเอาอะไรวันหนึ่งกายเราไปต่อเอาอะไรวันหนึ่งใหหันลองลองมาดูให้หันหน้ามาตรงๆทางนี้ดูรูดสุดตัวรูดสุดตัวมาจุ่มให้มันติดไปฮะมันติดได้กิเลสตัณหามันก็ติดได้ความทุกข์มัก็ติดได้แต่ความไม่ทุกข์มันก็ติดได้แต่ชีวิตเราไงให้ควาเป็นธรรมแก่ธรรมแค่ไหนเพียงไร ถ้าเราให้ความเป็นธรรมแก่ธรรมให้มันติดกับความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นธรรมความหลงไม่เป็นธรรมให้เรามาจุ่มมาต่อเราต้องช่วยตวเตรอนให้มากๆนะไม่ใช่ใจอ้อนวอนวอะไรอะไรเมืแต่พิธีรีตองเข้าไม่ถึงเข้าไปถึงเป็นพูดถึงนะไม่ใช่เป็นผู้ถือ กาถือเฉย ๆ, ๆอาจจะไม่ถึงมันเราถือหอ่อข้าวอาจจะไม่ได้อิบสักทีแหละถือยาอาจจะไม่ได้กินโลภ ก, ก็ไม่หายต้องถึงต้องกินลงไปต้องเบื่อลงไปต้องสัมผัสลงไปถ้าปัญญารักษาโลภของมันจะหายนะถ้าถึงเลยล่ะเราจึงเป็นพูดถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวรู้ตั ว, ต, วตื่น ตัวเบิกบ่ายเพิม่มระสึกเสรมระลึกได้อมันก็ไม่ยากมาเหลือวิสัยที่เราจะทำได้โดยพราะรูปแบบของการปฏิบัติธรรมม่มากมายเขาไปไกลแล้วเขาเจริญกันแล้วทุวนนโลกเขาเจริญกันแล้วหรือว่าพัฒนากันไปไกลแล้วการปริยาศาสตร์กันอะไร็ขคดขว้วไปเรื่อยๆ วันนี้เขาผ่าตัดเขายกหัวใจออกไปไว้ข้างนอกว่าผ่าตัดเสร็จแล้วยกหัวใจมาต่อให้มันเลยต่อไปก็จะสร้างคนได้เลยที่ไม่ต้องให้เป็นธรรมชาติสร้างก็จะสร้างโดยวิทยาศาสตร์อันนี้ก็พูดนเราเรื่องเลยนะเนาะแม้ว่าชีวิตของเราเนี่ยเราจะมา ยังทุอยู่ที่เก่ายังมาทุกข์ยังมาหลงยังมาโกรธอยู่มาล่าสมัยแล้วถ้ายังหลงอยู่ก็ถือว่าล่าสมัยแล้วแต่ทุกข์อยู่ก็ถือว่าล่าสมัยแล้วเดี๋ยเวียนตัวเองเดี๋ยวเพียนคนอื่นมาล่าสมัยแล้วพัฒนาให้มันดีกว่าที้อีกอยู่กันด้วยความสงบลมเย็นอย่างนี้นะตัวเองก็ไม่เวียนตัวเองเพราะคนมีสติมันเป็นธรรมความหลงไม่เป็นธรรมความโกรธไม่เป็นธรรม เขามไม่โกรธเป็นธรรมแต่เนี่ยมันพัฒนาเราไปไกลแล้วไปถึงโลกของอความไม่เมีไพยโลกไม่เมีไพยแต่เรว่าโลกแห่งพระเรียเจ้าจะไปมอบให้ใครความเป็นพระความเป็นพ้นจากไครเป็นเป็นเรื่องของเราโดยตรงเราจะไปให้คนโดน ของพ่อนั่นคนนั่นบรรลุธรรมเรื่องนันเรื่องนี้ น, อนนะอันนั้นมันมันไม่ใช่ก็เป็นเรื่องของเราด้วยเช่นวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักกับพรตนัสูตรนะเรื่องทางก็ให้เป็นเรื่องของเราไม่เป็นคําสอนไม่เป็นการพูดเอามาเป็นของจริง ควาเป็นของเก่งเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เช่นสติเนี่ยไม่ใช่อยู่ในตำร า, าเป็นเรื่องของเป็นเรื่องสิ่งที่เราสัมผัสได้ไรูปสึกตัวรูปสึกตัวหรือทางมัทเขมาปฏิปทาเรียกว่าหนทางของชีวิตเรา อย่าไปดูดสุขอย่าไปดูนทุกข์อย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายอยู่ตรงไหนหรอกอยู่ตรงกลางให้เห็นมันสุขก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นนี่เรียกว่าทานมันร้อนมันหนาวเห็นมันหิวเห็นมันปวดมันเมื่อยเห็นเห็นไม่ใช่เป็นในทางถ้าไปเป็นเข้าไป เป็นผู้ร้อนเป็นผู้หนาวเป็นผู้สุกเป็นผู้ทุกเป็นผู้หลงเราก็ก็หลงทางไปแล้วถ้าเห็นแล้วอยู่ในทางเป็นกลางเป็นธรรมเราจะมาสร้างความรู้สึกตัวเพื่อ ด, เอดูเพื่อให้เกิดภาวะที่ดูที่เห็นถ้าเราไม่สร้างตวเนียมันก็ไม่เกิดภาวะที่ดูที่เห็นมันจะเข้าไปเป็น เมื่อเรามีตาถ้าเราไม่ลืนมันก็อยู่ในมืดอยู่ในความมืดถ้าเราลืนมันก็เห็นแต่ใช่อะไรใช่สำเร็จประโยคเดินจากกติเดินจากที่พักผ่หลับนอนมาทำวัดศาลาหน้าเดินจากที่พักผ่หลับนอนไปทำวัดที่ศาลาหอวตจเดินจากศาลาหอวใจไปที่พักผ่หลับนอนด้วยตาไปได้สําเร็จ ถึงจุดหมายปลายทางทางของชีวิตจิตใจของเราตาภายในดวงตาภายในคือความรู้สึกตัวนั้นนาไปสู่จุดหมายปลายทางความไม่เป็นอะไรกับอะไรทั้งหมดไม่ได้เห็นสิ่งที่เห็นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เรื่องของกายเรื่องของใจมีมากมายแปดหมื่นสี่เรื่องเรื่องของใจเนี่ยสํามรับความชังมันก็เกิดอยู่ที่ใจ ความสุขความทุกก็เกิดอยู่ที่ใจความโลภความหลงก็เกิดอยู่ที่ใจความยินดียินร้ยายเกิดอยู่ที่ใจมันสแสดงให้เราเห็นความหลงสอนให้เราฉลาดสอนให้เรามีปัญญาถ้าเราได้เห็นแล้วนะเมื่อเราศึกษาเราไปเห็นอะไรตามวิชาการที่เราศึกษาก็กลายเป็นปัญญาของพวกเราได้บทเรียนแล้วหมอนก็ไปไปชมการศึกษา บางคนเขาก็ออกมาพูดว่าเขาผ่านเขาผ่านหลักสูตรมาเยอะในกาศรศึกษาที่ปรับมาเรื่อยๆว่าเขาผ่านหลักสูตรมาเยอะได้บทเรียนมาเยอะได้ใช่มาเยอะพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงหลักสูตรเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้หลงหลักสูตรเขาก็อยู่ในความเป็นกลาง ไม่ได้ว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีใช่ดูแล้วเป็นกฎการแต่สิ่งที่เป็นอิสระคือตัวเขาว่าเราจะต้องทำอะไรชีวิตของเราก็เหมือนกันผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านหลงผ่านรู้ผ่านรัก ผ, ผ่านชังผ่านได้ผ่านเสียมากมายิงเหล่านั้นน่ะถ้าเราเห็นแล้วมันจะเป็นประโยชน์ แต่ถ้าเราเป็นเร า, าก็โง่ต่อไปเรื่อยๆความหลงก็กลายเป็นความหลงไปเรื่อยความทุกข์ก็กลายเป็นความทุกข์ไปเรื่อยความโกรธก็ต่อเอาความโกรธไปเรื่อยๆบางทีต้องเป็นจิตลิขิตใสไปเลยแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะเห็นมันหลงมันเพื่อที่จะไม่หลงเป็นปัญญาความหลงแท้ๆทำให้เรามีปัญญาถ้าเรามีสตินะถ้าความหลงต่อความหลงก็ เป็นบวกกันเขาเป็นดับเบิ้ลหลงไปเลยๆไปแต่เรามีความรู้สึกตัวมีตัวรู้เป็นหลักมันเราเมตตาดูวอะไรที่ผ่านมาเราเห็นไปเห็นงูงูก็ไม่ได้กัดเราไปเห็นน้ําเราก็ไม่ได้เหยียบน้ำเห็นรถพิลึกมาเราก็หลบตาเพราะเราเห็นตาในเนี่ยมันมันเป็นทิพมันเป็นของทิพตาเนือ้อมันไม่ใช่ของทิพเป็นตาเนือ้อเป็นตาที่ใช่ให้สําเร็จประโยชน์ แต่ใช่เป็นนะแต่ใช่ไม่เป็นมันก็เป็นโทษมันก็ตายให้โลกไปยินดียินไล่ก็ไม่ไปรักไปจังก็ไม่แต่ว่าถ้าเรามีสติเข้าไปควบคุมเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตของเราเราจะมีความโถกมากมายเราจะมาซาตัวในการอาศัยหม่อาศัยมิตรอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยสิ่งแวดลอ้อมน่ะ พอสงฆ์ที่สุกโตหรืยก็ขนขวยล้วเรยกันพอสมควรไม่ได้อยู่นิ่งก็เผื่อว่าขอที่จะเป็นสิ่งเวทลอมสำหรับผู้สนใจในการปฏิบัติก็มีความมั่นใจพอสมควรแล้วก็ไม่ถึงกับติขดขัดเครื่องปืดเรื่องพุ่มเื่อยเกินไป ไม่มีส่วนไหนที่ทําให้เราหลงสิ่งที่ทําให้หลงพยายามที่จะไม่ให้มีแม้นมีก็ไม่ได้เจตนามันก็ยังมีไปเรื่อยๆนะนั่นเราก็ต้องศึกษามามันลับออกมาเป็นมิตรมาเป็นเพื่อนอพูดกันตอนเช้าตอนเย็นรูปแบบ จิตวัดวิธีวัดก็เพื่อการอันนี้ไม่ใช่เพื่อศักดิ์สิทธิ์อะไรถ้าศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นศักศดิ์สิทธิ์โดยความรู้สึกตัวสําเร็จพอเดินจากที่พักมาส า, าหน้าในความรู้สึกตัวเดินมาเหยียบดินด้วยความรู้สึกตัวมันเป็นความสําเร็จการใช้ชีวิตที่นี่มันใช่ชีวิตเพื่อให้เกิดความสําเร็จท่าก้าวแต่ละก้าวู่รู้สึกตัวสําเร็จแล้ว แล้วก็เหยียบลงไปบนดินก็เหยียบได้เคลื่อนไหวไปได้ไม่ได้เหยียบบนอากาศแล้วก็ไปถึงสําเร็จทุกข้าวสาเร็จทุกข้าวอยาไปมองไกลเอาตั้งแต่ข้าว ห, หรือลู่เป็นข้างเป็นข้างจากลูน้น้อยๆมันก็ต่อไปเป็นยาวเป็นมากลด้พอปฏิบัติพอศึกษาะจะไปคิดว่าอ่าจะลู่อันนั้นจะลู่อันนี้ว่าดพระนภาพ ใช่สมองใช่เหตุใช่ผลไม่ใช่นะตัวปฏิบัติเป็นตัวกระทําเป็นการกระทําเป็นกรรมเป็นกรรมฐานกรรมฐานโอ้ยคือมันเพราะที่สุดเลยเพราะว่ากรรมฐานเป็นที่ตั้งของการกระทําไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์เท่ากับกรรมฐานเพราะกรรมตัวนี้จะจําแนกไปจําแนกไป กรรมนวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมกรรมเป็นสิ่งที่จำแนกสักเราจะมาทำต้นเหตุตรงนี้มาตั้งต้นที่ตรงนี้รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกกายหาเรื่องที่จะรู้อยู่เสมออการที่จะสร้างความรู้อยู่เสมอเนี่ยเราเรียกว่าภาวนาก็าจะเป็นบุญก็เป็นบุญชั้นสูง ความกำลังจะสร้างความรู้สึกตัวเมื่อความรู้สึกตัวมันมีมันก็ความหลงก่อนน้อยเอาจริงๆมันมีแต่ความรู้สึกตัวกับความหลงตัวเท่านี้เองชีวิตเราแต่ความหลงเนี่ยมันตั้งต้นจากความหลงก็ไปไกลมันกันไนไปถึงอบายภูมิต่ตั้งต้นจากความรู้สึกตัวก็ไปไกลไปถึงมากถึงผลอ่า เมื่อกเรายือนอยู่ในทางสี่แท่เราจะไปทางไหนมีสิทธิที่จะไปทางจดหมายปลายทางหนึ่งไปสู่วายภูมิทางหนึ่งไปสู่มนุษย์สโลกทางหนึ่งไปสู่มรรคผลในผ่านทางหนึ่งไปสู่ขมวโลกเราจะก้าวไปทางไหนแต่เราก็มีสิทธิทจะไป แต่ว่าสุกโตได้ยขอเชิญชวนหันหน้าไปทางมัางผลคือดูก้าวแรกลู้สึกตัวแต่ว่าตัวลู้สึกตัวเป็นก้าวไปสูงมักผลนิพพานถ้าหลงตัวก็ก้าวไปสูง อาบายภูมิเป็นภูมิที่ไม่เจริญเป็นภูมิที่ไม่เจริญพวกเราจึงชวนชวนมาบางทีก็เขียนชื่อเขียบแผนที่ลงในหนังสือสุขโตก็คิดว่าสามารถที่จะบอกพวกเราได้แล ะ, ะชวนมา มีสิ่งที่ให้ทํามีสิ่งที่ให้ดูเคล็ดจริงอย่างไงให้สัมผัสถ้าจะทาต้องสัมผัสไม่ใช่คาถามเมื่อมาแล้วมาถึงสุกตัวแล้วต้องสัมผัสกับความรู้สึกตัวโดยรูปแบบต่างๆเดินจงกรมยกมือสร้างจังหวะมีสติไปพร้อมๆกันกับรูปแบบเพื่อฝึกหัด ให้อยู่ในบรรทัดให้อยู่ในพิมพ์ในแบบมันจึงจะเป็นไม่ต้องใช่ความคิดทําเอาทุกวนันนี้คนชอบใช้ความคิดกันมากจเจริญในความคิดทําอะไรลงไปปั๊บมันจะคิดไปเลยอแข่ง ก, กันกับการกระทําการกระทาเลยไม่สมุนแบบมันหนักไปในความคิดการกระทาก็เลยรีบไปเลย มันต้นไม้ยอดไม้บางยอดเนี่ยต้องการให้มันไปมันไปไม่ได้มันดื้องไปมันก็ไม่เจริญไม่เกิดดอกออกผลความหลงกับความรู้มันแข่งกันบางทีเร า, า, าให้โอกาสแก่ความรู้มื่ให้โอกาสแก่ธรรมไม่ความเป็นธรรมเราจึงทําให้สุดฝีมือทําให้สุดฝีมือการทําให้สุดฝีมือไม่ใช่อับเมื่อไหลไร ย, ย, ย่อย ความรู้สึกตัวมันเป็นของนิ่มนวลสบายไม่สิ้นเปลืองพลังงานความหลงต่างหากที่สิ้นเปลืองพลังงานความรู้สึกตัวเนี่ยไม่สิ้นเปลืองสัมผัส ด, ดูแล้วสบายสบายไม่มีอะไรลคําว่าลู่ก็จบแล้วถ้าหลงมันจบไม่เป็นเลยต่อไปเป็นเลือกเป็นลาวปเป็นจิเลตต์ต่างหากคราับความยินดีเย็นยยยยยยลยไล่ลไปรุ่นออกผิ่หัวลงไป ความรู้สักตัวมันอยู่กับบ้าน <c oughs> กับเรือนแล้วก็คนไม่หลักไม่แหลงอยู่ในบ้านของเองอยู่ในเย่าในเรือนของตัวเองความรู้จักตัวนั่นแต่บางทีมันก็ไม่พอใจชอบโกลงชอบแดงเอยบางทีโอ้ยมันสงบอยู่ไม่ได้เพราะมันไปติดความโมยุ่งเหยิงสอบสนบางกิจกิจที่ไปมันไม่ชอบ อ, อยู่ไม่ได้เลย วิทยุก็ไม่ฟังโทรทัศน์ก็ไม่มีทีวีก็ไม่มีก็สงบก็อยู่ไปแหละที่จริงแล้วลองฝึกสักหน่อยดูฝึกขัดสักหน่อยจะได้ลดได้ค่าส่วนกันความสงบเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเป็นธรรมเท่ากับความสงบจนพระพรุทธเจ้าตัดออกมาจากเขาโอดของผม ว่านักถิศสันติปรังสุขขอสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไหม่หมความสงบก็สงบจากการปรุงแต่งไม่ใช่สงบแบบไม่ได้ยินได้ฟังไม่ปรุงไม่แตงนี่ความสงบนะไม่ใช่สงบแบบนอนหลับปฏิเสธนี้เข้าดงเขาป่าความสงบจริงๆมันอยู่ในความไม่สงบ ความเย็นจริงๆมาอยู่ในความร้อนเหมืนอนโบราท่านว่าเย็นอยู่ในเตาหลอมเหล็กอยู่ใกล้ๆกับเตาหลอมเหล็กเย็นที่สุดถ้าไม่มีความร้อนจะไม่มีความเย็นเวลาใดมันร้อนเย็นอยู่ตรงนั้นเวลาใดมันหลงรู้อยู่ตรงนั้นเวลาใดมันทุกไม่ทุกอยู่ตรงนั้นมันคนละมงเหมือนก้ามือกําหลังมือไม่ต้ไปหาที่ไหน ขเขาบอกเผยเสื้อจริงๆชีวิตของเราแ่ะพร้อมมีความพร้อมหรือว่ามนุษย์สมบัติเป็นมนุษย์สมบัติให้ได้ทันทีต้องการจะลู่ก็ลู่ได้ทันทีแต่ความหลงไม่ต้องการ <c oughs> มันเป็นสัง ข, ขารเขาขยันความหลงน่ะตัวความลู่ต้องต้องสร้าง มันจึงกะพอายอย่างชีวิตของเราพระพุทธเจ้าบวัตถุแห่งความหลงตาหูจมูกลิน้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงหดทพะอารมณ์มันเป็นวัตถุแห่งความหลงแต่ถ้าเราไม่ใช่ให้เป็นแล้วมันก็พาไปหลงแต่ถ้าเราใช่เป็นก็สำเร็จประโยชน์ เราใช่ตาเราใช่หูเราใช่จมูกใช่เลี้งใช่กายใช่ใจแต่ถ้าตามันใช่เราหูมันใช่เราใจมันใช่เราเราก็ต้องตกเป็นทาสเหมือนเสือปกป่าต้องหาเหยื่อให้มันตาก็าจินอาหารหูว่าจินอ า, าจมูกเลี้ยงกายใจว่าจินอ า, าต้องหาเหยื่อป้อนมันอ่าคนที่เหือก็ ตกเป็นธาตอนความรู้สึกตัวมนไทยออกมาไทยถอนชีวิตออกมาจากความเป็นทาตมาสู่ความเป็นไทยเป็นอิสระเป็นชีวิตที่ไม่มีไทย <c oughs> นี่ก็พูดไปเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติถ้าตัวปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมีคำพูดเลยปิดปากอ่า ปิดปากไม่มีคำพูดถ้าพูดอะไรก็เป็นสมมุติปัญญาธรรมะสัจจะต้องทํำลงไปต้องรอู้รู้เขาถ้ามีกิริยาของอาจจะเดิกน้อยอออทีหนึ่งรู้เขารู้เขารู้เขาันหลงเท่าไรรู้เขาันหลงเท่าไรรู้เขาโอ้ยคอยใจเวลามันหลงมีความรู้มันมันค่ายมันมีฝีมือ เหมือนเราตีขื่อตีขางด้วยมือของเราด้วยตาปูด้วยค้อมของเราเราขึ้นไปนั่งได้ไี้เราขึ้นไปนั่งได้เลยความหลงมันรู้เนยมันมั่นใจตรงมันความผิดมันมีความถูกมันไม่ใจตรงนั้นความทุกข์มันมีพวาไม่ทุกข์มันมั่นใจตรงนั้นสมน้ำหน้ามันมันแก้ทันก่อนแก่ทันทีผิดที่ได้ลบเขียนใหม่อ่ามันมั่นใจมากเราไปสอบ ข้อสอบที่เราทานเขียนแล้วทานอีกทานตั้งใจมันพิดตรงไหนเขียนไหมผิดตรงไหเขียนไหนทุกตัวส่งคำตอบเฉลยปัญหาอย่างมั่นใจจับปากกาสงบเตินออกจากห้องสอบด้วยความมั่นใจไม่สับสนเพราะทำการงานที่สะอาดแต่บางคนพราพระตัวเองตอบอะไร ตัวเองเขียนยังไงเหมือนไปไปสอบอุปชาไปสอบอุปชาก็อพอออกจากห้องสอบแล้วไม่พระมาจารย์สุรินข้อนั้นก็าถามนะอาจารย์ตอบอยังไงสองพ่อตอบกันโอ้ยก็ตอบจางนี้ไงตอบจากนี้นนผมตอบจางนี้ โอ้ผมผิดแล้วผมผิดแล้วผมผิดแล้วเพราะผมไม่ตอบอางนั้นรีสอร์ก็สอบตกกลับบ้านก่อนประกาศเพราะว่ามันตกอะแก้ไม่ได้เขาสอบถ้าตกก็ตกไปเลยสอมม่ไละเพราะนั้นอะไรต้องมั่นใจโดยเฉพาะความรู้สึกตัวมันเป็นคู่กับความลงคู่ปรับกัน ชนะก็ชนะตรงนี้แพ้ก็แพ้ตรงไี้เวลาใดที่มันหลงรู้สึกตัวพอดีพอดีเวลาใดที่มันทุกข์ไม่ทุกข์พอดีแล้วมรรคแล้วเวลาใดมันโกรธไม่โกรธพอดีแล้วเป็นมรรคแล้วผ่านไปได้แล้วผ่านความหลงโดยความรู้ผ่านความทุกข์โดยความไม่ทุกข์ผ่านความก โ, โกรธโดยความไม่โกรธเรเจ้าเราจะไปไหนจะไปสวรรค์ในบานไม่แค้ตรงนี้ มันจะไปได้ยังไงโซ่ไม่แจ้คนแจ้ไม่ไครสิ่งเรล่านี่มันก็ปรากฏต่อหน้าต่อตาเราอยู่ชวนกันมาทําตรงนี้มันก็เห็นจริงๆเห็นความหลงจริงๆกงารสร้างความรู้เนะี่ยมันก็เห็นความหลงนอกจากความรู้เยอะแยะเราเห็นทั้งหมดความรู้เดียวตัดทางไปได้เลย เหมือนใบมีดรถแท็กเตอร์ผ่านไปตรงไหนก็เป็นทางความรู้สึกตัวเหมือนใบมีดแท็กเตอร์ความรู้สึกตัวเหมือนไม้กวาดไม้กวาดผ่านไปตรงไหนสะอาดตรงนั้นปานนั่นนะความรู้สึกตัวจึงเป็นแม่แม่ของธรรมทั้งหลายโอเจ้าเปรียบเทียบความรู้สึกตัวเหมือนรอยเท้าของช้าง มันใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์อื่เอารอยเท้าของสัตว์นมารวมลงที่รอยเท้าของชาตได้ทั้งนะแม้แต่ปัดคิบบังโพธิการพระพุทธเจ้าใกล้จะประพิธผ่านองคก็ตัดแล้วไงยะธรรมะสังฆราพมาเทนะสัมปาเทธรรมานทั้งหลายจงยงความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอะก็คือผมรู้สึกตัวนี่งเลยอัปปมาธธรรม ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจนถึงที่สุดพระดวงก็อยางว่าผู้ชงก็ยังปริโมรขมสติเปิดเตเปตะวะผู้มีสติเป็นนาลอบเหมือนพระกีณศกผู้มีสติเป็นเวไนกลายเป็นเวไหนเป็นพระกีณศกเป็นพระรหัสสติตัวนี้ความรู้สึกตัวตัวนี้ผู้มีสติเป็นนาลอบพระขีณศกผู้มีสติเป็นเวไนนอน เริ่มต้นจากตอนนี้พวกเราถ้าจะเป็นหอเสือกมามันก็ให้ใหญ่ตรงนี้ให้มันใหญ่ให้มันโตให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อเติมไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะอะ่วันนี้ก็ได้เวลาพ่อพ่อศิลแม่ศิลป์จะมาสมาทานศิลเอาเอาเอาลุ่มอนหลุ่นวันใหม่อะว่ากันสมาทานกัน ไม่ยังพันเตะไหว้พระเราก็ไหว้แล้วรัตนากินแผู้ดใดประสงค์จะสมาถานไม่ประสงค์ก็ตั้งใจทำอยู่แล้วถ้ามีสตินะก็ทำเป็นรูปแบบตามศาสนาพิธี